เทศนาแผ่นที่76ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงคำในวันที่9มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าบุญคุณของแผ่นดิน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 ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายตั้งแต่ดึกดำบันตระกูลเนี่ยตระกูลพ่อเจ้าอยู่หัวเนี่ยถ้าว่าพวกตระกูลเนี่ยไม่รักษาประเทศชาติไว้พวกเราคงจะไม่มีประเทศชาติจะอยู่ก็คงจะเหมือนแตกระหละุละเหินไปถ้าพวกเราได้อ่านในประวัติศาสตร์ดูสิสมัยรสกับรสหสมัยนั้นอ่ฝรั่งเศสกับอังกฤษจะปกครองประเทศชาติ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 คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระพุ power, ท, ทธเจ้าคือต้นศาสดาต้นศาสนาพระธรรมคือคํคสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็คือสาวกผู้นำพระธรมรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนเนี่ยให้ได้ยินได้ฟังในเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระธรมรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรามากักกานกรองไตร er ตรอง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 ทำต่ออันไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่าทะเลาะวะอกแวงกันอันไหนดีอันไหนเลวพ่องค์พ่อก็สอนไม่หมดแล้วเพราะนั้นแล้เทอานึกย้อนไปอีกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าในยุคสมัยฝรัง่ง อ, อังกฤษฝรั่งเศสที่ฝรัง่งอังกฤษ เ, เขาก็ น, นั้นมาเลอินโด ออทางฝ่ายฟอร์มานะ่ออ์ทางฝรั่งเศสก็เนี่ยขเขมร ล, ลาวเวียดนามแต่ว่ายัางเหลือตัวอยู่แต่ประเทศไทยแห่งเดียวนะแต่ประเทศไทยก็เสียให้กับเขาขออะไรมาแล้วก็ยอมให้เสือนส่วนและรักษาส่วนใหญ่เอาไวนะ้นี่นะพระเจ้าแผ่นดินสมัยรอสีรอหะรอสนะี่ตั้งกตวางฐานไว้ตั้งแต่รอสามาหนะลวงพ่อศึกษานูรอสน่ไปค้าขายกับ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 เป็นมาด้วยประวัติศาสตร์นะความเป็นมามันสืบเนื่องนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายบางทนก็อยู่รักษาบ้านรักษาเรือนไม่ใช่ว่าเราปู ป, ปับมาเราได้นาะท้องนี้มาได้มาด้วยลำแข้งตัวเองไม่ใช่พ่อของเราถางไล่ทางนาะก่นหัวตอมาเท่าไหร่แทบล้มแทบตายบางทีถูกงู ก, กัดอีกตัางหากก่อนที่จะไดนาพอมาถึงตัวเองเริ่มตัว